ธรรมะเราเรียนเพื่อลดละกิเลสนะบางคนเจ้าเล่ก็เอาธรรมะไปเพิ่มกิเลสได้อ้างธรรมะอย่างหลวงพ่อบอกว่าเอาศพเข้าบ้านจีบสาวอะไรอย่างนี้นะพาเข้าบ้านเรานี่พวกที่พามาแล้วเนี่ยอ้างเลยาเนี่ยหลวงพ่อบอกเอาศพเข้าบ้านนะรีบทิ้งมันก่อนนะ <laughs> เอาศพออกจากบ้าน อย่างนี้เอาธรรมะไปหาผลประโยชน์นะเบื่อยายแก่ที่บ้านแล้วก็อ้างธรรมะปลงแนละ้วเอาไปทิ้งนะทิ้งหมาทิ้งแมวยังบาปเลยเอาคนไปทิ้งบาปนะเราเห็นนะได้เห็นสัตว์สัตว์อยู่กับเรามันฝากชีวิตไว้กับเรา หมาบางตัวนะเจ้าของโหดร้ายนะเตะมันตีมันก็อยู่ผู้รายหมามันก็สู้ให้เจ้าของอนะไรเงี้ยคนใจร้ายเอาไปทิ้งอะงี้น่าสงสารสัตว์น่าสงสารมากเลยมนุษย์เนี่ยเบียดเลียนสัตว์ร้ายแรงเหลือเกินเบียดเบียนแบบสัตว์ศูนพันเลยเราแย่งที่อยู่ที่กินแย่งทุกสิ่งทุกอย่าง ของพวกสัตว์เขาอย่างจะใจร้ายกับสัตว์ก็ไม่ดีนะเหมือนพยายามเจริญเมตตาไหมเจริญเมตตาไม่ใช่แค่นึกเอาสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเชื้ดไก่ไปเรื่อยๆเป็นสุขเป็นสุขเลิวนะออย่างนั้นไม่ใช่เมตตาหรอกนะเมตตาเอาใจเขามาใส่ใจเรา เรากลัวเจ็บเรากลัวตายเราไม่อยากให้คนอื่นรังแกเราก็เมตตาสัตว์อื่นเมตตาคนอื่นเขาก็กลัวเจ็บกลัวตายไม่อยากให้เรารังแกเหมือนกันอ ก, อกเขาอกเราใจที่เจริญเมตตาไว้เนี่ยร่มเย็นเป็นสุขนะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อวนะ่พลังของความเมตตาเนี่ยดีกว่าพลังอยู่ยงคงกระพันเลยสิอีนะ คนอยากได้แต่พระหนังเหนียวพระอะไรพระเมตตาไม่ค่อยอยากได้ความจริงทํายากกว่าครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่ายังจะเสกพระให้เหนียวเนี่ยไปพกแล้วหนังเหนียวเลยไม่ยากหรอกทําสมาธินะคนลุกทีเดียวเนี่ได้ปีติเท่านี้นะกําหนดลงไปก็เหนียวแล้วแต่พระเมตตาเนี่ยทํายาก เนพลังของความเมตตาท่านถึงขนาดบอกนะเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลกก็คือหมู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกขาดความเมตตาก็มีแต่ทำร้ายกั น, นทุกทรมานมากเลยตัวเองก็หยาบช้าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รังแกคนอื่นถ้าเราจเจริญเมตตานะจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเวลาทำสมาธิก็ทำง่ายใจที่มีเมตตานะกับใจที่มีโทสะกลับข้างกัน ใจที่มีโทสะทําสมาธิยากใจที่มีเมตตานี่นะทําย่าสมาธินะั้นนึกถึงสมาธิก็เป็นสมาธิเลยให้ฝึกคนที่มีเมตตานะหน้าตาผ่องใสอย่างคนมีโทสะหน้าผ่องใสัหมเมตตากาับโทสะมันสัตวูกันคนมีเมตตาหน้าตาผ่องใสจิตใจสบายนะไม่เป็นพิษเป็นภัย คนอื่นสัตว์อื่นพวกสัตว์นี่มันรู้นะพวกสัตว์มันรับกระแสมเมตตาได้มีสัตว์อยู่สองชนิดที่รับกระแสมเมตตายากนะคือคนกับกวายมีกู้เนี้ยที่หลวงพ่อสำรวจมานอกนั้นรับง่ายอย่างงูงูเหา่างูอะไรอย่างนี้นะเลื้อยมาอย่างเงี้ยใจเราล่มเย็นเป็นสุขนะมันมันไม่ดุนะมันไม่ระวังมันไม่ระแวง เมื่ก่อนหลวงพ่ออยู่ส่วนโพที่เมืองการนะมีงูเหา่าตัวหนึ่งอยู่ในวัดเชื่องเชงเรานั่งอยู่เนี้ยนั่งเก้าอี้หินนะมาหินนะมันก็เลื้อยมาสวยสวยตัวเนี้ยดํากระทบแสงแดดนะเป็นประกายรุ้งเลยสวยมากเลยยังกับอัญมณีที่เคลื่อนที่ได้นะ่ะเห็นไหมความงามเราเห็นโอ้มันน่ารักนะมันสวยนะใ่เราก็ไม่ได้ ตกใจอะไรนะมันก็เลื้อยมาใกล้ๆเรานะหาอะไรกินนะเที่ยวมุดมุด ต, ตรงนี้จิกลงไปใต้ก้อนหินนี้แล้วก็ขึ้นมาไปดูน่ารักดนะีมีวันหนึ่งไม่เห็นมันเกือบเหยียบมันลงมาจากกุฏิตอนเช้าจะไปบินธบารนะัลงมาเดินผ่านไปแล้วทางเดินมันสักเมตรเดียวแคบๆเอ๊ะอะไรอยู่ข้างทางนะหันไปดู ก็งูงูห่านะมันมาทำตัวอย่างนี้ตัวแข็งเลยนะตัวแข็งเราเดินเฉียดจมูกคนไปแค่นี้ก็ไม่ว่านะใจดีน่ารักสัตว์หมูมากาะไก่ก็น่ารักนะบางคนว่าสมัยก่อนมีพระองค์หนึ่งชื่อสมเด็จพระยานสังวรชื่อพระยานสังวร สุขไก่เถื่อนเป็นตำแหน่งยานสังวรเป็นสังฆราชเรียกสังฆราชไก่เถื่อนไก่เถื่อนก็คือไก่ป่าเมื่อท่านเลี้ยงไก่ป่าเชื่องเนี่ยกว่าเมตตาวัดเนี่ยไก่ป่าเยอะเลยนะถ้าไม่คอยห้ามนันมันจะขึ้นมาออกไข่บนกุฏิเลย <laughs> ถึงนานๆเนี่ยเพราะไม่มีใครทำร้ายมันกูตามกุฏิพระอะไรเนี่ยไก่ก็ชอบขึ้นไปไข่ เคยเห็นไข่ของไก่ป่าไหมเล็กหน่อยนะไข่เป็นเล็กๆหน่อยสวยใสๆนะน่าดูดิเนื้อถ้าใจเราอ่อนโยนมีเมตตานะั้นเราจะไม่เป็นพิษเป็นภัยนะไม่ถูกสัตว์ทำร้ายนะสัตว์จะทำร้ายเราทำไมสัตว์นีจะทำร้ายแต่เมื่อถูกลังแกนะหรือไม่ก็เพื่อแย่งอาหารแย่งตัวเมีย สัตว์ที่จะดุถ้าสัตว์ไม่ถูกข่มเหงรังแกแล้วก็ไม่ใช่ฤดูที่จะสู้กันแย่งตัวเมียมันก็สู้กันเองไม่มาสู้กับเราหรอกแย่งตัวเมียเราไม่ไปแย่งนางงูมาอยู่กับเราหรอกใช่ไหอนายงูเขาก็ไปสู้กันแย่งนางงูไม่มาสู้กับเราหรอกสัตว์จะไม่ทำร้ายเรานะบอกไม่ตายด้วยสัตร์ดาวุฒิสัตร์ดาวุธิทำร้ายไม่ได้ทำร้ายเราทําไมก็เราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ไม่ตายด้วยย่าพิษใครยังรวางยาพิษเราเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครมีแต่ความเป็นมิตรเจอใครเราก็รู้สึกมีความเป็นมิตรกับเขาเขารู้สึกเป็นมิตรกับเราไม่ทํำร้ายเวลาจะตายนั้นบอกว่าจะมีสติเวลาตายบอกมีสติทํากาละกาละหมายถึงตาย ถ, าถึงเวลาะละถึงเวลาละเวลาเรามีเมตตานะใจมันมีสมาธิอยู่ในตัวเองนะ จะมีความรู้เนื้อรู้ตัวสบายเวลาจะตายมีความสุขส่วนใหญ่เวลาตายนะพอเจ็บมากๆแล้วไม่มีโทสะเพราะมันเจ็บปวดนะหงุดหงิดเคยเห็นคนป่วยมากๆไม่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีพวกนี้ถ้าตายในขนาดนั้นต้องไปอบายแน่นอนเลยแต่เราจเจริญเมตตาอยู่นานชำนานน ะ, จะเจริญมีความสุขร่มเย็น ร่างกายมันจะตายแล้วน่าสงสารนะสัตว์ตัวนี้ใกล้จะตายแล้วไม่ใช่ตัวไหนให้ตัวนี้แหละอย่างเงี้ยนะแล้วก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันสงสารมีความเมตตาแทนที่จะโกรธนะเป็นมีเมตตาเวลาตายก็ตายดีนะเพืาะงนพวกเราพยายามเจริญเมตตาให้มากๆไวนะ้นี่แหละของกันปีใหม่นะอย่างน้อยทำอะไรไม่ได้ก็ให้มันมีความเมตตาต่อผู้อื่นต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นนะ เมตตาต่อตัวเองด้วยเมตตาต่อตัวเราเองก็คืออย่าหาเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าทำชั่วคนจะเมตตาตัวเองก็คือต้องไม่ทำชั่วคนที่ทำชั่วเนี่ยคือคนที่ไม่เมตตาตัวเองไม่เมตตาคนอื่นด้วยไม่เมตตาตัวเองด้วยนั้นถ้าเราทำชั่วมาไหนจิตใจเราตกต่ำเศร้าหมองไม่มีความสุขเวลาทำชั่วเนี่ยคนที่เดือดร้อนคนแรกคือตัวเราเองนะจิตใจเราเศร้าหมองแล้ว งั้นเราพยายามเจริญเมตตานะใจจะได้ร่มเย็นพอนา ง, ง่ายมันคือการทําสมาธิอันหนึ่งเท่านั้นนะเป็นสมาธิแบบหนึ่งเรียกว่าเมตตาผนวชิหารเวลาใจเรามีความเมตตาไปในทุกทิศทุกฐานไม่ได้เมตตาเฉพาะคนนี้คนนี้หน้าตาหน้ารักเลยเมตตาพิเศษอะไรเงี้ยไม่ใช่ไออย่างนั้นเรียกหลักคะ เมตตาเนี่ยไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของราคามีเจ้าของอย่างเราเมตตาคนทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแต่ถ้าเรามีราคะเราชอบคนนี้นะเราอยากเป็นเจ้าของเขาอยากให้เขามาเป็นของของเราอย่างนี้อย่างนี้เรียกราคะเวลามีราคะจิตใจจะคับแคบจะดึงเข้าตัวแคบเวลามีเมตตานะจิตจะกว้างขวางออกไปเวลาทำสมาธิทาง่าย วิธีทาสมาธิจากความเมตตานะอย่างใจเรามีความร่มเย็นจากความเมตตานะเราทำใจสบายไม่ต้องไปเค้นมันนะไม่ใช่จะแผ่ความเมตต า, าต้องเข้นอย่างนี้มันแผ่โทสะออกไปแล้วใจเราต้องร่มเย็นนะสบายสังเกตไหมเวลาเราเข้าใกล้คนบางคนเรารู้สึกสบายแล้วรู้สึกไหมสัมผัสถึงความเมตตาเขาเราก็สบายแล้วให้เราใจของเราให้มันมีความสุขความสบายนะ แล้วก็เราไม่คิดร้ายกับคนอื่นไม่คิดร้ากับสิ่งอื่นนียกระแสของความเมตตามันแผลซ่านอยู่แล้วนะเวลาทําสมาธิด้วยเมตตาเนี่ยเข้าถึงอัปปนานสมาธิได้เข้าถึงอรูปปัจจานไดนะ้ความเมตตาเนี่ยเข้าอารูปได้เป็นสมาธิชั้นสูงเลยละอย่างทําอานาปนสตินั้นได้รูปปัจจานได้ฌานสนีะ่แต่อย่างเจริญเมตตาเนี่ยขึ้นไปถึงชาน 5, 6, ห้าหกเจ็ดไรนุ่นเนี่ยขึ้นไปได้ ถ้าไปถืออุเบกขาเนี่เข้าชาัญนแปดได้เลยนะชำนีชำนานไปได้เวลาทำสมาธิจะ ก, การเจริญเมตตานะกาทำสมาธิที่มีอารมณ์เป็นรูปเนี่ยจะต่างกันอย่างเราดูไฟดูดินดูน้ำนะหรือเราดูลมหายใจอเงี้ยอารมณ์มันจะเปลี่ยนมันเป็นแสงนะเป็นดวงสว่าง เรียกว่ามันมีปฏิภาคหน imits เนะข้าชานนี่เจริญเมตตาเนี่ไม่มีปฏิภาคนิมิตเข้าชานได้โดยไม่มีปฏิภาคนะประณีตงั้นพวกเราพยายามเจริญเมตตาไปนะชีวิตจะได้ร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวเราก็มีความสุขนะในที่ทํางานเราเราเดินเข้าไปคนรอบๆในตัวในที่ทํางานเขก็มีความสุขในที่ทํางานพวกเรามีไหมที่พอคนนี้เดินมาแล้วทุกคนเครียดมีไหม มีหไหมอวดพยักหน้ากันกล่าวเลยมีไหมที่ทํางานเราที่คนนี้มาแล้วทุกคนสงบร่มเย็นสบายมีไหมเหลือน้อยละไอตอนเข้ามาเราเครียดมีไหมไอ <c oughs> ตอน <c oughs> เข้ามาแล้วร่มเย็นเป็นสุขสบายใจ <c oughs> มีเหมือนกันไออย่างงั้นคนละดีกลีคนเดี๋ยวนี้นะต่อสู้ดินรนเยอะปากัดจีนที าก็กัดกัดใครกัดตัวเองเหรอไม่กัดหรอกถีบใครต้องถีบคนอื่นกัดก็กัดคนอื่นนะมันไม่เมตตาหรอกเราจะไปเรียกร้องให้คนอื่นเมตตานะเรามีเมตตาก่อนเราใจเรามีเมตตาแล้วคนรอบตัวเราเขาก็เมตตาบ้างเ้ามีความสุขเราไปเปลี่ยนสังคมใหญ่ทีเดียวเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกเนะมื่อก่อนพวก นักลัทศาสาตร์พวกนี้ดูถูกศาสนานะแล้วศาสนาแก้ปัญหาทีละคนสองคนต้องแก้ทั้งระบบต้องสร้างระบบที่ดีขึ้นมาแล้วแก้ปัญหาได้ก็ดูมันสร้างระบบขึ้นมาจนนเป็นอย่างนี้แหละเี่ยสร้างกันมาเองแล้วนะไม่มีใครเขาสร้างให้นะระบบดีวิเศษแค่ไหนนะมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกสร้างระบบขึ้นมานะคนมันมีกิเลสมันก็ซิกแซก หาประโยชน์จากระบบันนั้นได้อีกนะงั้นเดี๋ยวไปหวังเลยว่าจะเปลี่ยนสังคมใหญ่ๆได้ง่ายๆนะเปลี่ยนตัวเองยังเอาไม่ค่อยรอดเลยยนะังเริ่มมาเปลี่ยนตัวเองก่อนนะส่วนสังคมใหญ่เราก็ดูแลไปตามหน้าที่ของเรานะเป็นพลเมืองก็ดูแลบ้านเมืองก็ถูกแล้วแต่ใจเราเราต้องดูแลไว้ให้ดนะีให้ใจเราร่มเย็นเป็นสุขสังคมก็จะเริ่มมีความสุขสังคมอันแรกก็คือบ้านเราเองครอบครัวเราเอง ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคมนะก็เป็นสังคมส่วนที่เล็กที่สุดพวกเราในบ้านของใครยังร้อนอยู่บ้างยกมือซิมีไหมที่ในบ้านยังร้อนอยู่ใครบ้านร่มเย็นแล้มีไหม ย, ยกมือซิโอเยอะนะพวกที่บ้านร้อนยกมือน้อยแต่ว่าจำนวนอะเยอะแต่ไม่ได้ยกมือกลัวที่บ้านเห็น ฝึกน ะ, จะเจริญเวตตาใจก็มีความสุขธรรมะนําความสุขมาให้ให้ของขวัญอะไรก็ไม่เหมือนให้ธรรมะนะของขวัญให้ไปบางอย่างเขาก็ไม่อยากได้ให้ไปหรือบางอย่างเป็นภาระนะให้มาแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรไม่เก็บไว้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของมาถามหาอย่างเงี้ยนะ ให้ธรรมะนี่แหละดีที่สุดเลยก่อนเราจะให้ธรรมะเราต้องมีธรรมะก่อนนะงั้นเรามาฟังธรรมมาอะไรเนี่ยเราตั้งใจพัฒนาใจของเราให้มีธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเคยเห็นแก่ตัวก็ลดละซะบ้างนะเห็นใจคนอื่นบ้างเคยทําผิดศีลหน้าตาเฉยนะก็พยายามรักษาศีลไว้บ้างนะค่อยๆฝึกเอา เคยฟุ้งซ่านตลอดเวลาหาความสุขจากการไปดูรูปไปฟังเสียงไปออกข้างนอกมาทํทำความสงบจิตใจบ้างค่อยๆฝึกเอาทุกวันวันหนึ่งสิบนาทีสิบห้นาทีฝึกไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปให้ใจมันได้เชื่องได้สงบบ้างนี่เราฝึกของเราไปด้วยจิตใจเราอยู่กันเน้เกับตัวดีแล้วก็มาฝึกแยกธาตุแยกขัน กายส่วนกายใจส่วนใ จ, น ใ, จ, น ใ, จให้ฝึกแยกไปไหลวงพ่อสอนเข้ามาที่แก่นตัวนี้ให้มีสติขึ้นมารู้ทันจิตใจของเราเองกิเลสมาเรารู้ทันศีลมันมาเองส่วนไอ้ที่สอนให้ถือศีลห้าไม่ถือหรอกก็สอนกันมาตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนแล้วมันถือที่ไหนนะ่ะพวกเรารับศีลมาคนหนึ่งถึงร้อยครั้งไหมโอ้บางคนกว่าบางคนบอกห้าร้อยครั้ง ใครไม่เคยรับศีเลยมีไหมไม่ยังพันเตอะไรเนี่ยไม่ต้องสวดเองหรอกคนอื่นเ็าสวดเคยไหมเวลาไปงานศพเขาก็ขอสีกันใช่ไหมมีไหมมีเนี่ยบางวัดก็เห็นอยู่เขาก็ขอศีนนะแล้วก็สวดศพบางคนเลยขอทุกวันเลยไปงานศพเจ็ดวันขอทั้งเจ็ดวันนะแล้วถือไหมไม่ถือหรอกถือไม่เป็นเพราะอะไรใจมันไม่มีศีล งั้จะรักษาศีลได้ดีนะก็มีสติรักษาจิตกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันมาเองนะแล้วเวลาจิตมันฟุ้งซ่านมันวิ่งวกแกวกวกแวกไปอาศัยสติรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วก็มีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านมันหนีไปหนีไปคิดกันหนีไปเพ่งหนีไปสองแบบ จิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันนะหนีไปเพ่งเราก็รู้ทันจิก pues ็เลยตั้งมั่นขึ้นมาไม่หนีไปอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อได้สมาธิขึ้นมาแม้อาศัยสติก็มีสมาธิอาศัยสติมีศีลมีสมาธิขึ้นมาและอาศัยสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยนะจิตเรามีสมาธิตั้งมั่นเป็นแค่คนดูจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติเห็นกายทํางานมีสติเห็นใจทํางานนะ ปัญญามันก็จะเกิดเห็นในร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เห็นะปัญญาเกิดแล้วจิตจะปล่อยวางนะจะวางลงแต่เดิมยึดถือกายยึดถือใจเหนียวแน่นะยึดของเราไม่พอยึบยึดของคนอื่นมาอีกเลยไปพาศพเข้าบ้านมาถ้าพอนานเป็นนะจะไม่ไปหาเมียหรอกจะบอกให้ แต่พรอนาเป็นก็ไม่ทิ้งเมียนะเอ อ, อาหามมาแล้วมีหน้าที่ดูแลนะมีเมียแล้วนะถ้าพรอนาเป็นก็จะไม่มีลูกเราพระพุทธเจ้าสอนนะบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรงั้นบางคนเลยโอ้พระเจ้าท่านพูดอย่างนี้ต้องจริงบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรเราปรารถนาที่ดาอยากได้ลูกสาวเนี่ยสแสดงว่าลูกชายไม่ค่อยดีลูกสาวดีกว่า นี่มารผจ น, นะมารผจญยังเป็นโสดได้ก็โสดไปโสดแล้วนั้นยจะไปมีลูกให้มีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกไปรับวิบาก เ, เนี้ยทําไมบอกไม่อย่าไปมีมีแล้วมันพอนา a ลาบากภาระมันเยอะตัวของเราก็ภาระเยอะอยู่แล้วเราไปหาภาระเพิ่มอันเนี้ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะ แต่ท่านสอนช้าไปบอกว่าขันห้าก็เหนื่อยจะแย่แล้วยังมีขันสิบอีกเหรอมันมีแล้ว <c oughs> แล้วมีหน้าที่นะดูแลพัฒนากันไป <c oughs> เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กัน่งเสริมกันไปสู่ความพ้นทุกข์ เอาใครจะส่งกันบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูติดเพ่งอะคะ่ะแล้วก็ให้ไปเลิกในรูปแบบให้หมดอ่ะคะ่ะตอนนี้ก็เลิอกอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีติดที่ตรงจมูกแล้วก็ติตแต่บางครั้งจิตพอจะดูสภาวะอะไรอย่างเงี้ยจิตก็ยังรื้อมาจะแข็งแข็งอยู่เออเรารู้ทันแล้วนะะอ้ค่ะรู้ทันแล้วก็ใช้ได้ลนะนตรงนั้นเราเดินปัญญาได้เลยนะเห็นไหมพอเราจะดูถ้่านั้นจิตก็แข็งละมันแข็งเอง เห็นไ้มว่ามันแข็งได้เองตรงที่เห็นว่าแข็งเองนะเห็นอนัตตานะอแค่นั้นก็เดินปัญญาได้ละเพราะว่าพอพอเราก็ปล่อยมันไปแล้วก็มันก็จะหายจะดีขึ้นเราไม่ได้ฝึกให้หายหรอกอ๋อก็จะโอเคดูไปเลยมันเป็นอนัตตาดูใจลักไปที่เราฝึกถ้าเป็นแทบตายก็เพื่อจะมาดูใจลักษให้ได้นั่นแหละแต่ถ้าไปเพ่งนิ่งซื่อบื้ออยู่เนี้ยไม่มีใจลัก คือหนูก็ยังไม่ต้องทําพวกสมาธิในรูปแบบอะไรย่างนี้นะคะทําได้แล้วเริ่มทําได้แล้วเหรอคะเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามาติดตรงนี้อีกเราก็ดูเราก็สบายใจทําใจผ่อนคลายลงหน่อยให้ผ่อนคลายลงที่เราไปเพ่งเพราะว่าเราอยากดูให้ชัดอ๋อใช่ใช่สิไม่หลอกหรอกหลวงพ่อเพ่งมาก่อนที่เอามาพูดนี่นะไม่ได้เดาเลยนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเคยเจอมาแล้วถึงได้พูดเต็มปาก อตก็อนนี้ทําสมาธิได้ลนะค่ะขอบพระคุณค่ะเออหนูส่วนจริตจะเป็นที่ลมหายใจหรือเปล่าคะต้องได้แบบนี่ยวทําให้ดูเวลาจะทําอนาปานสตินั่งอยู่ท่านี้อยู่ยังไม่เห็นจะต้องขยับเลยนึกจะทําอานาปานสติก็เห็นร่างกายเป็นหายใจเลยเห็นอย่างนี้ไม่ได้เหรอมันไม่ต้องเห็นอย่างนี้เหรอเอนะใช่งั้นถูก<อ>ละคะ้ค่ะเนี่ยเห็นอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้หายใจเราเป็นแค่คนดู อืมเหมือนหายใจอีกแล้วเนี่ยโดยอยางนี้รัต่อไปเนี่ยพระจิตมันสงบนะหูตามันปิดเองแหละเริ่มต้นไม่ต้องไปรีบเครียดใตชักเลยมไม่สงบหรอกถ้าจะนั่งก็นั่งสบายสบายจิดขี้เกียจสตีก่อนสบายแล้วเมื่อวันสาววันอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีผู้หญิงคนหนึ่ง มาที่วัดมาครั้งแรกในชีวิตแล้วไปคุยกับคุณแม่ชีบหนูไม่เข้าใจเลยวัดเนี้ยเขามาเรียนกรรมฐ า, านยังไงนักเขาหัวเราะกันกลียวกล่าวแล้วดูไม่เห็นเขานั่งสมาธิไม่เห็นเขาเดินจงกรมเลยนะเขาเดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำกินข้าวนะเนี่ยเหรอปฏิบัติธรรม <c oughs> คุณแม่บอกต้องสอนตั้งแต่เบสิกนะสอนตั้งแต่เรื่องสติเรื่องอะไร ในทุกๆอิริยาบถคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะจะยืนเดินนั่งนอนนั่นคือการปฏิบัติจะหายใจออกหายใจเข้าคือปฏิบัตนะิจะกินอาหารจะขับถ่ายคือปฏิบัติทั้งนั้นนะนะการปฏิบัติไม่ใช่ต้องเดินจงกรมท่านี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งท่าไหนก็ต้องเป็น ส, สมาธิได้ทั้งนั้นแนะหละหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่า เอาหัวทิ้มดินนะเอาตีนชี้ฟ้าแบบที่เขาเล่นโยคะนะเราก็ทําสมาธิได้น ะ, ะท่านว่าอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับท่าทางไม่ต้องทำขลุม่มแต่ดูตัวเองให้ออกนะแต่ละคนเนะี่ยไปแกล้งทำขลุม่มแล้วจะทําเป็นซึมๆว่าฉันดีฉันดีนะนจริงร้อยร้อยไอ้พวกที่ดูเรียบร้อยอะ่ะตัวจริงร้อย <c oughs> ของเรานี่แหละฉีกหน้ากากตัวเองฉีกออกลอกเปลือกตัวเองนะลอกเป็นชั้นชั้น ดูให้เห็นตัวจริงนะพอลอกถึงชั้นในสุดจะพบว่าไม่มีเหมือนต้นกล้วยใคยเคยลอกต้นกล้วยไหมลอกต้นกล้วยลอกลอกนะจะหาแก่นของต้นกล้วยลอกลอกลอกไม่มีหรอกบอกเปลือกตัวเองนะอย่าไปสร้างหน้ากากทาเป็นหมูกระดาษใส่หน้ากาก ประเมินผลการภาวนาของตัวเองอะค่ะก็รู้สึกว่ามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นทำถูกแล้วล่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันก้าวหน้าชา้าเหนั้นโลภ <c oughs> <c oughs> ช้าอบเร็วเนี่ยบางอย่างเราอยากให้มาช้าๆใช่ไหมเรารู้สึกมาเร็วบางอย่างอยากให้เร็วก็จะรู้สึกช้าเหนั้นเป็นความรู้สึกของเราเอง เราก็รู้สึกว่ามันยังโลเลอะคะอ่ะบางทีมันก็อยากพ้นทุกข์บ<อ>างทีมันก็ยังสนุกสนานกับโลกให้รู้ทันเอานะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละถ้าเห็นโลกน่าเบื่อจริงๆไม่ได้ผ้านาคาตอนนี้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวโลกก็น่าเบื่อหนายเห็นแล้วสลดสังเวชอีกวันหนึ่งไม่สังเวชแล้วกระโดดใส่เลยนะให้รู้ทันเอาจนเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆจิตถึงจะวางตอนนี้ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของโลกไม่วาง เพ่งหรือเปล่าเพ่งครับแล้วไปทําไมทําไมต้องเพง่งมันไม่ชอบสภาวะนี้กออ็ปัญหาใหญ่ของเราคือเราปฏิเสธสภาวะที่กาลังเป็นอยู่นะหรือบางทีเราไปชอบมันไปเกลียดมันสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยให้เรารู้ทันอย่างที่เขาเป็นนะอย่างมันตื่นเต้นเราไม่ชอบเราไปกดถ้าเราก็เห็นเออมันตื่นเต้นจิตมันตื่นเต้นได้เองเราไม่ได้ตื่นเต้นนะจิตมันตื่นเต้น ะจิตนี้ไม่ใช่เราหรอกเราเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกไปงั้นจะดีก็ได้นะจะร้ายก็ได้นะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าดีว่าร้ายว่าสุขว่าทุกข์นะซอนธรรมะเราเท่าๆกันสิ่งที่ทำให้มันไม่เท่ากันคือใจของเราเองอย่างความสุขมาใจเราไม่เป็นกลางเราชอบความทุกข์มาใจไม่เป็นกลางเราเกลียดเนี้ยตัวที่ทาให้มันมีค่าต่างกันขึ้นมาก็คือใจของเราเองให้รู้ทันใจของเรา จนใจเราเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แกล้งเป็นกลางด้วยเขาเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นเลยสุขมันก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเขาเป็นกลางของเขาเองเราพามันดูสภาวะที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อตานี่ไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็รู้ทันจิตมันยินดีรู้ทันจิตมันยินไ้รู้ทันนะถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วจิตจะเป็นกลางของจิตเองนะ ตรงที่จิตเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยคือประตูแห่งอริยมรรคถัดจากนั้นถ้าบุญบา ร, รมีเราพอเนี่ยอริยมรรคจะเกิดงนะั้นเราพาจิตให้ดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันไปนะดูแล้วแรกๆมันก็ยินดียินร้ายก็ไม่ว่ามันก็แค่รู้ทันมันต่อไปมันไม่ยินดียินร้ายนะเพราะว่ามันชักฉลาดขึ้นนะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวไปฝึกเอานะขอบคุณครับที่นหลวงพ่อให ให้ไปดูเพลงเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะมันดีข<ห>ึ้นให้ไปดูอะไรนะติดเพลงเมื่อเออค่ะเบาลงค่ะเออดีได้ทํางถ้าเพ่งแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกเหนื่อยเปล่าเปล่าทำตัวเองให้ลำบากเพ่งอยูนะ่นี่เราไม่เพง่งดูมันทํางานไปสบายสบายรู้สึกตัวแล้วก็มันรู้สึกตัวบ่อยขึ้นเออดีนะออแล้วก็บอกวิถอ บอกไม่ถูกไม่ต้องบอกะเรารู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแล้วเรายินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันไปเลยใจจะรู้ทุกอย่างอย่างเป็นกลางอันแรกเป็นกลางเพราะมีสติไปรู้ทันว่ามันยินดียินร้ายต่อไปมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาคือมันเริ่มเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันโชคลาภเพราะงั้นมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้ขอกันบ้านหน่อยไปทาอย่างนี้แหละทําถูกแล้วล่ะ ตอนแรกไม่กล้าส่งเพราะว่ารู้ว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรดีขึ้นก็เลยแบบรู้สึกอายแล้วก็ไม่อยากส่งรู้ไหมว่าอายรู้ค่ะเออใช้ได้ผ่านเห็นไหมรู้สภาวะได้เคยเห็นไหมว่าใจเราแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันเห็นค่ะนะบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายใช่ไหมวันก็สุขบางวันก็ทุกเคยเห็นไหมว่าในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกเราเปลี่ยนตลอด ดูออกไหมอันนี้ดูออกค่ะออไปดูบ่อยๆน ะ, ะต่อไปเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราเห็นหน้าคนนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไเห็นอีกคนหนึ่งความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมได้ยินเสียงอยีกนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนกินข้าวกินอาหารคํานี้รู้สึกนี้ไปกินอีกอย่างหนึ่งรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกมันเปลี่ยนเคยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอยู่หนึ่ ง, ห น, งหนื่งนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่ไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยของโชคลาวทั้งหมดเลยความสุ ข, ท, สข ท, ที่รู้สึกขึ้นมาก็อยู่โชคลาวความทุกข์ที่รู้สึกขึ้นมาก็อยู่โชคลาภนะอะไรๆก็โชคลาวไปหมดเลยนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะไปทําเอานะค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะตั้งใจว่าวันนี้จะมา กราบเรียนถา ม, อมขอความเมตตาหลวงพ่อแก้สภาวะนะคะคือเมื่อสักสี่เดือนที่แล้วยมก็พยายามปฏิบัติธรรมพยายามอยู่กับปัจจุบันธรรมตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้แล้วพอตกค่ำประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มน่ะคะ่ะจิตมันตื่นโพล่งสว่างจ้าจนยมรู้สึกว่าอุยตายคืนนี้เราจะนอนไม่หลับนนเนี่ยแล้วมันก็สว่างจริงๆแล้วตื่นโพล่ง จนกระทั่งตีสามถึงจะพลอยหลับไปพอตีสี่ก็ตื่นมาใหม่อีกแล้วมันก็ตื่นโพล่งอีกแล้วโยมก็บนคือก็เดินจงกรมต่อนะคะพอหกโมงก็มึนหัวแข้งขาก็อ่อนแล้วพอวัดความดันก็ความดันร้อยหกสิบทั้งที่โยมไม่ได้ทานยาความดันมาสองปีแล้วนะคะก็เลยต้องคยร้อยหกสิบเนี่ยมากค่ะเพราะปกติไม่ควรจะเกินร้อยสห้าะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้อีกจิตสว่างจ้าตื่นโพล่งแบบนี้อีกแล้วนอนไม่หลับแบบนี้นะคะยมควรจะแก้ไขตัวเองยังไงคะหลเราอย่าไปลุกขึ้นมานะเราก็นอนไปนอนดูร่างกายหายใจไปเรือยอย่าไปกังวลเรื่องหลับไม่หลับให้กังวลนะทำให้เครียดเครียดเลยความดันขึ้นนอนดูไปสิ เห็นร่างกายนอนใจเราสว่างสวยสบา ย, บายมีความสุขนี่ทำอย่างนี้อย่างนี้เนาะสบายค่ะอย่าไปกังวลมันเวลาที่สติมันแข็งแรงขึ้นนะบางทีแทบไม่นอนเลยแล้วไม่ได้ป่วยไข้อะไรหรอกนะแต่ถ้าร่างกายยังต้องการพักผ่อนให้มันพักไปอย่าไปฝืนให้มันนอนร่างกายมันนอนไป ใจเราก็สว่างสให้เป็นคนดูไปเรื่อยไม่ต้องลุกขึ้นมาหรอกลุกขึ้นมาใจมันเครียดนอนดูเล่นๆเลย <c oughs> อย่าไปกังวลนอนไม่หลับไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเพราะว่าปลาโลมาไม่เคยนอนเลยเมื่อน่นะก็ทำไมเราไม่นอนบ้างจะเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> งั้นไม่ต้องตกใจนะเวลาที่สติเราดีเนี่ยบางทีแทบไม่นอนเลย จะตื่นพโพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ว่าถึงเวลาที่ร่างกายต้องการพักให้ร่างกายมันนอนจิตไม่นอนก็ช่างหมันให้มันสงบอยู่กับแสงสว่างนะั่นะนะนั่นแหละจิตได้พักในสมาธินะร่างกายก็นอนพักไปจิตก็พักอยู่ในสมาธิอยู่ในแสงสว่างรนะวมแล้วได้พักเยอะเลยกราบนำมำสการหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะ ปฏิบัติมาปีกับอีกประมาณสองสามเดือนนะคะได้โสดายัางยังค่งะ <laughs> นะแต่ว่ามีเมื่อวานมีแอบมีกิเลสนิดนึงคิดว่าตัวเองได้แต่จริงๆรู้ว่าไม่ได้ะคะ่ะก็คือตอนที่นั่งสมาธิไปอะคะ่ะปกตเออิเคยเห็นที่เป็นแสงสว่างแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือเห็นเป็นเหมือนลูกแก้วอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นเป็นลูกเดียวเห็นเป็นสองลูกแยกออกจากกัน้วก็เปลี่ยนจาก สีแดงมีสีํำเงินแล้วก็เป็นพอดีเป็นคนชอบสีม่วงท่านก็เป็นสีม่วงก็เหมือนว่าตัวเองจะตามไปแต่ก็เหมือนมีสติดึงไว้ว่าไม่ต้องตามไปนะอย่าตามไปนะกลับมารู้ทันจิตไหมค่ะนิมิตทั้งหลายไม่ว่าจะดีหรือนิมิตน่ากลัวอะไรนะอย่าตามมันพอนิมิตเกิดเนี้ยกลับมารู้ทันจิตชอบรู้ว่าชอบจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเป็นนิมิตค่ะ แล้วตอนที่ปกติเวลาเดินภาวนาค่ะหนูไม่ได้เดินเป็นเป็นพุทโธค่ะคือจะท่องเป็นอิติปิโสได้อะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้ท่องจบเป็นจบบทนะคะท่อ ง, แ, งแค่ไหนอะค่ะท่องแบบไหนก็เดินไปแล้วก็อิติปิโสพระควาอิติปิโสพระควา<อ>เพราะว่าไปท่องพุทโธแล้วรู้สึกลำคาเออได้ใช้ได้แล้วล่ะ นะก็ขอการบ้านหลวงพ่อไม่ทาอีกนะอิติปิโสภะกวาทั้งวันเลยค่ะเนะื้นะอหลวงพ่อพูดเคยเล่านะ่มีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์เยอะเลยท่านท่านทำกรรมฐานมานานมีชื่อเสียง<ม>ลูกศิษย์ไปเรียนหอกทาอาจารย์ผมจะท่องว่าอะไรบริกรรมเลยเออเจ้าท่องหนะ้าอิติปิโสภะกาวาไม่วานะให้วือลูกศิษย์ส่วนหนึ่งก็วือบือนะ อีกคนหนึ่งเป็นท่านมหาอุย้ยอาจารย์พีตต้องพักกว่าเสร็จแล้วลูกศิษย์พักกว่านี่ก็ปลุกระดมเลยวนะ่าอาจารย์เนี่ยไม่ถูกต้องพากันทั้งวัดเลยนะปฏิเสธอาจารย์อาจารย์เลยขึ้นไปอยู่บนเขาองค์เดียวนี่ลูกศิษย์อยู่ข้างล่างมานานนะก็ชักคิดถึงอาจารย์เหมือนกันก็นพากันขึ้นไปไปพักอยู่กับอาจารย์อาจารย์ตอนนี้อาจารย์พวานายยังไงถ้าคิดว่าถ้า อาจารย์บอกพักวานะจะ น, นิรโทษเชิญกล <laughs> <laughs> ับเชิญกลับลงมาอยู่วัดข้างล่างอาจารย์โอ้เราอีตีพิโสพักวื่ออย่างไม่นิรโทษนะอย่อางเช้าอะอาจารย์ก็ออกไปบินธบาตพวกลูกศิษย์ก็ออกบินธบาติด้วยนะไม่ได้อะไรเลยอาจารย์นั้นได้ข้าวมาเต็มบาทเลยลูกศิษย์ถามน่าอาจารย์ไปทํายังไงได้ข้าวมา วันอื่นไม่มีข้าวจะฉันนี่ในชากไรเราเดินไปใต้ต้นไม้นี่แหละแล้วก็เปิดฟ้าบาทนะอีตีพิโสพัระวือเดี๋ยวก็มีคนมาใส่บาทตรงนี้นี่พระก็เอาบ้างเลยพระพักว่าเนี่ยนะถึงพัระวือพักกระืไม่มีใครใส่นะมีแต่ใบไม้หล่นลงมาอันนี้ท่านสอนหลงพระพุทธท่านสรุปก็คือบริกรรมนะนะ มันเป็นแค่เหยื่อล่อใจถ้าใจเราชอบอีทีพีโสพระกวาก็ว่าไปจะใจเราชอบอะไรใจก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมาธิขึ้นมานได้สมาธิขึ้นมาแล้วมาเดินปัญญาดูกายดูใจมันทํางานไปอย่างใจเราเดียวสุขเดี๋ยวทุกเดียวดีเดียวร้ายดูมไปถ้านะตอนไหนฟุ้งซ่านก็มาอีทีพีโสพระก ว, า, กวาไปนะ้อมสักการณ์หลวงพ่อครับอื ข อ, อญาตส่งกันบ้านในวันสิ้นปีปี2、5、งหกครับก็แต่ละวันที่ ท, ที่ดำเนินชีวิตนะครับก็จะมีโทโทสะราคาแล้วก็มีความกลัวความความกลัวความควา ม, วามโรคฮะแล้วก็นัตตระกูลของดูดูรู้แล้วเป็นโทสะนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันแฝงอยู่ทุกๆอันคือโมหะความคุณมัวความมั ว, มวแล้วก็ความต้องการดึงให้เราลงไปอยู่ใน มันถูกครอบเข้าไป<อ>แต่และระวันดนะดมีมากๆเลยครับดเีเลยเลยเล ย, เล ย, เลยคิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาตอนสอนลูกทีมหนึ่งผมคิดที่หลวงพ่อบอกคือละเมตตาเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมมีความสนุกสนุกกับงานมันก็จะมีความสุขและเกิดสมาธิผมก็พยายามให้มันเกิดความสนุกั้งตลอดเวลากับงานที่ได้รับมอบหมายถึงแม้ว่าคนอื่นมองไม่สนุกก็ตามอันนี้เป็นทฤษฎีที่คิดเองทําเองนี่ถือว่ามันก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งใช่ไหมรหลวงพ่อใช่ แต่ใจมันไม่ได้สนุกจริงครับนะมันเลยฝืนๆหน่อยครับบางทีดูแลแม่ก็ให้สนุกเหมือนกันมันไม่อยมันไม่ก็สนุกจริงครับแต่ก็ดีแล้วล่ะพยายามวางใจอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่ปฏิเสธสิ่งซึ่งกําลังเผชิญอยู่เนี่ยก็ทูกน้อยลงครับขณะนี้ก็รู้สึกก็อยากอยากจะคุยกับหลวงพ่อเยอะๆมีความอยากมีความโลภอยู่มีทั้งทั้งทั้งผักผักอยากให้มัเร็ว Mm hmm. มันทันความคิดที่มัน mm hmm. จะคิดแต่มันก็ไม่ทันเร mm hmm. อยากจะพูดให้เร็วขึ้นอ mm hmm. แล้วก็มีความอยากจะคุยกับหลวงพ่อานานๆใ mm hmm. นควก็รู้สึกความสึกตรงนี้นะดึงเข้าคือออกรู้ทันเอาน ะ, รรระกราบรมสการหลวงพ่อคะ่ะหนูส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีกับสามเดือนคะ่ะก็ครั้งที่ครั้งสุดท้ายที่ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งอะนะคะ mm hmm. แล้วก็ ให้ไปดูจิตที่หลงไปคิดนะคะหนูก็คิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันเพ่งก็เริ่มจะรู้ก็จะรู้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของจิตที่หลงไปคิดเนี่ยมันก็จะจิตมันก็จะดูของมันเองอยู่เรื่อยๆนะค ะ, ะจริงๆหนูปฏิบัติมาได้สักสามปีกว่าแล้วแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่คืบหน้าแต่ว่า<ม>ถ้าหากว่ามองปจริงๆก็เหมือนกับว่าเออมันก็จิตมันเริ่มทํางานของมันเองนะคะมหมายความว่าตั้งแต่เช้าบางครั้งเนี่ย เหมือนกับนอนแล้วยังไม่ยอมตื่นแต่พอมันจิตมันเริ่มไหลไปมันก็เห็นละว่าเฮ้ยนั่นไหลไปคิดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแล้วก็ในบางครั้งเคยนั่งรถไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลับไปมันฝันอันนั้นก็เคยเห็นด้วยว่าเฮ้ยมันฝันไปแล้วมันก็มันก็รู้ตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกันค่ะส่วนการแยกธาตุแยกขันหรือว่าเห็นกายหรือว่าเวทนาไม่ใช่เราเนี่ยจริงๆก็ก็มันเห็นมาเรื่อยๆมันก็ยังเห็นอยู่นะคะหนูก็คิดว่า มันก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะคืบหน้าขึ้นบ้างในเรื่องของการที่เห็นจิตไวขึ้นอะไรอย่างเนี้ค่ะดีแล้วล่ะคือถ้าติดเพ่งเราไม่มีทางพัฒนาเลยนะถ้าเรารู้จักเพ่งคลายออกได้ก็จะเห็นมันทํางานได้ค่ะปัญญามถึงเกิดดีแล้วล่ะก็ปฏิบัติแนวนี้ต่อไปได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อสมาธิเราก็ไม่เลิกนะค่ะเราก็ทําไปแต่ว่าพอจิตจะถล่มลงไปเพ่งเราก็รู้เอาจะไปมันจะตั้งมั่น ดูสังเกตว่าเวลาที่ดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไหลไปเพ่งได้ง่ายมากแต่ว่าตอนหลังๆก็เริ่มใช้ใช้พุทโธช่วยด้วยค่ะคือแรกๆก็ฝืนหน่อยน ะ, ะแต่ไปไม่ได้ฝืนอะไรหรอกพอมันจะเคลื่อนเลยก็เห็นแล้วเห็นแล้วมันก็กลับมาเองไม่ต้องพุทโธด้วยซ้าไป แต่ตอนหลังมีบางครั้งหนูหนูตากผ้าอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามันจิตมันไหลไปคิดเงี้ยค่ะออพอเห็นจิตที่ไหลไปคิดมันก็ท่องพุทโธ ข, ขึ้นมาเองเลยเออไม่เป็นไรอย่างนั้ น, ม, นมันเป็นของมันเอ ง, เองดีแ ล, แล้วละ่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะตอนที่บางคนติดสมาธินะสมัยก่อนหลวงพ่อบอกให้หยุดไปก่อนก็ไม่เข้าใจคิดว่าหลวงพ่อประมวลบอกไม่ให้ทำสมาธิจริงไม่ให้ทำสมาธิที่ผิด สมาธิที่ถูกมันต้องทอําต่จิตต้องตั้งมั่นครับกรามนวัต ก, การครับก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คิดว่ากายกับจิตก็แยกกันได้พอสมควรครับแถูกก็เห็นเวลานั่งเฉยๆนี่ก็จะเห็นทั้งร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็จิตอยู่ส่วนหนึ่งเวลาตอนนอนนี่ก็จะรู้สึกเลยว่าฝันก็ฝันไปว่า ตื่นก็จะสดชื่นไม่เพลียนะฮะเราจะรู้สึกมันไม่ได้นอนทั้งคืนใช่ใช่เนี่ยต้องบอกยมผู้หญิงนะั่นน่ะ <c oughs> มันรู้สึกทั้งคืนนะมันไม่โซมหรอกร <c oughs> ที่มันเครียดขึ้นมาความดันขึ้นว่าเราอยากหลับแล้วก็ถ้าตื่นช้ามาปุ๊บก็ถ้าตอนตื่นมาเลยแล้วแปรงฟันก็รู้สึกว่าเวลามองตัวเองในกระจกเนี่ยก็จะเห็นเป็นรู้สึกเหมือนที่คนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะทํากิจวัตรไปเรื่อยๆส่วนเวลาทั้งวันนี้ก็จะเป็นเพ่งกับเผราประพ อ, อกันฮะทั้งวัน แต่เวลาเราสึกมาก็จะประมาณอย่างนี้มันเหมือนกับมีจิตอยู่อันนึงอยู่ในอกเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นร่างกายเป็นทําไปเรื่อยๆครับไอ้ตรงที่เรามีจิตตั้งอยู่อันนึงเนี่ยเราต้องไม่รักษานะครับก็จะปล่อยถ้าเผลอก็ปล่อยไปเลยครับกถ้ารักษาไว้เดี๋ยวมันจะเหลือตัวจิตนี้เที่ยงตัวอื่นไม่เที<ๆ>่ยงแต่จ<ๆ>ิตเที่ยงนะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันตกผวังบ่อยขึ้นฮะออแต่ก่อนไม่รู้จักคําว่าผวังเดี๋ยวนี้จะรู้สึกว่าจะมีช่วงเบลอ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เบอแล้วก็มันตลอดเวลาเลยนะครับขึ้นรับอารมณ์แล้วก็ตกผวังขึ้นทั้งวันเลยครับเดี๋ยววันนี้วันสิ้นปีมีพระมาอาราธนาบอกว่าให้พระสวดมนต์ให้โยมฟังพวกเราไม่ต้องสวดตามนะให้พระสวดหันไปทางอาสนะนะพวกเราทําใจให้เป็นสมาธินะให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลนะ พอจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลดีแล้วนะพอพร ะ, พระสวดเสร็จแล้วเนี่ยแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนีนะ้ให้ตั้งแต่ในหลวงลงมาเลยนะให้ทั้งแผ่นดินเลยให้สัตว์ทุกฝ่ายเลยนะอนุโมทนาทุกคนนะเราทาความดีของเรานะจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพรปีใหม่ของเราเองแหละใครๆก็ให้พรเราไม่ได้หรอกให้พรตัวเอง ทำดีไปเรื่อยๆดีกว่าขอพรนะสังเกตอย่างไหมถ้าใครจิตใยๆนะกีตอนที่พวกเราแผ่ส่วนบุญกันแผ่เมตตานะเรามีสมาธิรู้สึกไหมเนี่ยคือสมาธนะิเวลาใจเราสงบร่มเย็นนะแล้วก็นึกแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาไปเรื่อยเราจะได้สมาธิมากขึ้นมากขึ้นนะไปฝึกทุกวันทุกวัน อ่เชิญกลับบ้าน